หนึ่งถึงสามธันวาที่วัดป่าสารวันีจยจัดงานคล้ายๆงานไหว้ครูตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่ น, นเลยหลวงพระพุทธเนี่ยท่านลูกศิษย์หลวงปู่เสาคนก็มาเต็มวัดน้พระก็เต็มวัดเลยนั่งอยู่บ น, นสศาลาไม้นะท่านอยู่ที่กุฏิเราไปถามกรรมฐ า, านท่านตัวนี้ว่าผมจะแก้ไงดีจะแย่แล้ว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 หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับสอง้ mm hmm. วเราลูกสิษ์ท่านพ่อหลีท่านสอนไว้อย่างนี้ mm hmm. หายใจไแต่ท่านนับถึงสิบนะหลวงพ่อนับไปถึงร้อย <c oughs> แคราวนี้นับไปยี่สิบปดครั้งไม่ได้ให้หวยนะหลวงพ่อไม่ต้องการให้รู้สิษย์นิสัยเสียเหมือนโลภมากไม่ทำมาหากินอะไรย่า ง, งั้นไม่ดีต้องช่วยตัวเองชาวพุทธ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 อุทยพยาญญาณที่เห็นเกิดดับแต่เห็นระดับเด็กๆยังกิกก๊อกอยู่เนี่ถ้าพูดอย่างนี้่เยเด็กประท้วงหาว่าเด็กกิกก๊อกเด็กไม่กิกก๊อ ก, กนะเด็กภาวนาดีๆเยอะๆเลยแต่ตารุณะอุทยพยัญาณเนี่ยมันเห็นเกิดดับได้เพิ่งจะเริ่มเห็นไม่นานแล้วจิตไม่ตั้งมัน่นจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตมีอุทัดจระความฟุ้งซ่าน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 ปัญญาอยู่เห็นทำวิปัสสนาอยู่แล้วสมาธิไม่พอเนี่ยก็เกิดวิปัสณูถ้าเพิ่มสมาธิขึ้นมาแล้วหายเมื่อก่อนได้ยินท่านพูดยังไม่เข้าใจอะไม่เข้าใจพอมาภาวนานะนมาเจอวิปัสณูโดยเฉพาะตอนหลังๆเนี่ยเห็นญาติโยมภาวนาหรือเห็นพระภาวนามันเกิดวิปัสณูขึ้นมาดูออกแล้วตอนนี้เพราะว่าจิตมันไม่ถึงฐานจิตมันอยู่นอกๆ อ, ออกนอกไป เช่นมันคิดถึงปัญญาหรือมือกระโจนใส่ปัญญาไปเลยฟุ้งซ่านในปัญญาไปหรือมีปิตินะไปนั่งสมมติไปนั่งเห็นครูบาาจารย์แล้วก็ปลื้มไปจิตไปอยู่ที่ครูบาอาจารย์จิตไปออกนอกพอรู้ทันนั่นเองจะตั้งมั่นขึ้นมานี่เราเห็นด้วยการปฏิบัติามาอ่านพระสูตรทีหลังเนี่ยถึงเจอพระนนท่านสอนไวนะ้ในยุคครรนัตสูตร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 แต่พอไปติดในความโล่งความว่างนะมันเป็นภพของพลมเวกรามและปฏิฆาไม่เกิดไม่ใช่เพราะเป็นพระอราหันนะแต่เป็นพระไปติดอยู่ในภพที่ละเอียดที่ว่างที่ละเอียดชื่ออากาสานัญยัตนะบ้างชื่ออากินจัญญายัตนะบ้างนะพวกนี้ไปอยู่ในว่างในความไม่มีอะไรคิดว่าบรรลุพระอราหารันแล้วก็เกิดฉเฉลียวฉลาดปราดเปรืองปิ้งขึ้นมา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 พอเห็นเป็นตัวทุกข์แท้ๆ เ, เรียกว่ารู้แจ้งในกล่องทุกข์แล้วมันก็จะไม่ยึดถือในใกายในใจจิตว่าพลากออกจากขันพลากออกจากกายจากใจพ้นทุกข์ไปเลยตอนนี้ยังไม่ต้องให้พลากบางคนพยายามจะพลากแล้วบางคนพยายามทำลายผู้รู้ใจร้อนเกินไปเึ้นทำไปก็สติแตกเท่านั้นแหละให้คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจดูกายทางานดูใจทางานดูเขาทางานไปเรื่อย